เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัตอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมวัวนาะวันฝังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาวัดเพื่อมามาเปลี่ยนรูปแบบของการหาความสุขจากทางตาหูจมูกมินกายมาสู่การหาความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาสีงด้วยการภาวนาเพราะนี่จะเป็นวิธี ที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นหลุมพลางที่จะพาให้เราไปตกในกองทุกข์เพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลามันเสื่อมไปเราก็จะต้องทุกข์ใจเสียใจ แต่ถ้าเรามาหาความสุขทางใจจะไม่มีวันจากเราไปแล้วก็จะไม่มีวันเสือ่อมเพราะใจของเราไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันตายร่างกายจะเป็นอย่างไรไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรถ้าเราหาความสุขทางใจได้วันพระพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้พวกเราเปลี่ยนการหาความสุขจากการหาลาภยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายมาหาความสุขทางใจมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันสำหรับท่านที่ยังทำบุญทำทานไม่ได้อย่างน้อยวันพระก็มาทำสักครั้งก็อย่างดี ทำทานก็จะให้เรามีความสุขใจอิ่มใจถ้ารักษาศีหน้ายังไม่ได้วันพระก็มารักษาสีสักครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่รักษาเลยเพราะการรักษาสีหน้านี้จะเป็นเกราะคุ้มกองใจไม่ให้ตกไปในเบื้องต่ําไม่ให้ไปเกิดในอบายนั่นเองไม่ให้ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าไม่รักษาสิ่ง5นี้ตายไปนี้โอกาสที่จะไปอบายมีมากถ้าไม่มีบุญมาช่วยดึงเอาไว้ถ้าไม่ทำบุญเลยทำแต่บาปรับรองได้ว่ากำลังไปจองอบายอยู่กันคุ้มใดคุ้มหนึ่งไม่จะเป็นคุ้มของเดะชะานก็เป็นคุ้มของเปร ไม่เป็นขุมของเปรตก็เป็นขุมของอสุรกายไม่เป็นขุมของอสุรกายก็เป็นขุมนรกเพราะการทำบาป ก, ก็เป็นเหตุที่ทำให้ต้องไปอบายนั่นเองแต่ถ้ารักษาศีลได้อบายก็จะไม่ไปศีลนี้เป็นเหมือนกำแพงกัน้นไม่ให้เราตกไปในอบายเป็นเหมือนตาข่ายที่นักแสดงกายกรรม ในละครสัตว์เวลาเขากระโดดขึ้นไปห้อยโด่งเด้งอยู่บนเส้นลวดเขามีตาข่ายรองไว้ข้างล่างเผื่อพลาดก็ยังมีตาข่ายรองรับไม่ให้ร่างกายไปกระแทกกับพื้นฉันใดการรักษาศี่ห้านี้ก็เป็นการขึงตาข่ายกันไม่ให้ใจของเรา ตกไปกระแทกกับอบายนั่นเองดังนั้นถ้าเรายังรักษาสีหน้าไม่ได้เลย<ม>ก็ออกมาลองรักษากันในวันพระนี้ก่อนรักษาแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีความหวัดวันวิตกกังวล น, น้อยลงมีความไม่สบายใจน้อยลง เพราะการทำบาสนี้จะทำให้เราไม่สบายใจนั่นเองเวลาเราไปโกโหกแฟนเราเราก็จะไม่สบายใจเวลาเราไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นเราก็จะไม่สบายใจเวลาเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเวลาเราไปฆ่าผู้อื่นเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสรารยาเมาอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาสมาทานกันเมื่อกี้นี้ก็จะทำให้ใจของท่านมีความสุขดัแบบความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ดังในอนิสง์ของสีนที่แสดงไว้ในท้ายสีลว่าสี่เลนะนิปุติยันติ ศีลจะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปได้นี่คืออันิสมแล้วก็สี่เลนะสุขติญญนติศีลจะส่งให้เราได้ไปสู่สุขติไม่ต้องไปเกิดในทุกขติในอบายเวลาตายไปไม่ต้องมีคนไม่ต้องให้คนเข้ามาอวยพรให้เราว่าขอให้ไปสู่สุขติสุขติ ขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบอวยพรอย่างไรถ้าไม่รักษาศีลก็ไปไม่ได้การอวยพรนี้ไม่สามารถส่งดวงเิรจารของพวกเราที่ตายจากร่างกายนี้ไปจะไปเกิดในสุกติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่มรรคผลนิพพานย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะการจะไปทิศทางไหนไปสูงไปต่ อยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของผู้กระทำนั้นถ้าผู้กระทำไม่กระทำบาป ก, ก็ไม่ไปอบายไปสุกติส่เลนะสุกติยันติสิงจะเป็นผู้ที่จะพาให้ผู้รักษาได้ไปเกิดในสุกติดังนั้นถ้าเราตายแล้วไม่อยากจะไปอบาย อยู่ก็ไม่อยากจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องมาอันรักษาศีลห้ากันพอรักษายู่ในวันพระได้ก็ทดลองขยายเป็นวันก่อนวันพระและวันหลังวันพระพอเราทำได้เราก็เพิ่มไปอีกเป็นห้าวันจากสามวันก็เป็นห้าวันจากห้าวันเราก็จะรักษาได้ครบทั้งเจดวัน เพมันไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรการรักษาศีลไม่ทำบาสนี้ง่ายกว่าการทำบาปเชื่อไหมอยู่เฉยๆกับการไปฆ่าคนนี่อันไหนมันง่ายกว่ากันไปฆ่าคนนี่ต้องไปหาหมีดหาปืนต้องไปหาเวลาจ้องรอเวลาที่เขาเผลอแล้วถึงจะไปฆ่าเขาการไม่ฆ่านี้ง่ายกว่านั่งอยู่ยเฉย อย่างตอนนี้โยมก็ไม่ได้ไปฆ่าใครสบายกว่าไม่แล้วทำไมไม่ทำเอาเรื่องที่ง่ายๆกันชอบไปทำเรื่องที่ยากกันทำไมอยู่เฉยๆง่ายไม่ฆ่ามันง่ายกว่าฆ่านะไม่ลักทรัพย์มันง่ายกว่าการลักทรัพย์เวลาไปลักทรัพย์นี่ก็ต้องไปคอยดูว่าเขามีข้าวของตรงไหนเวลาไหนเขาไม่อยู่บ้านเวลาเขาเผลอบางทีต้องไปตอน ดึกนื่นเวลาที่เข้าหลับเข้านอนแล้วแล้วถ้าเกิดาพาดไปส่งเสียงดังเตื่นขึ้นมาก็อาจจะถูกเขาเอาปืนง่ายยิงเนี่ยการรักษาศีลกับการทบบําบาสนี่อันไหนจะง่ายกว่ากันรักษาศีลนี่ง่ายจะตายไปอย่างตอนนี้ญาติโยมก็มีศีลห้าครบบริบูรณ์ตอนนี้ไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้รักทรัพย์ของใครไม่ได้ประพฤติผิดประเวณี ไม่ได้พูดปดไม่ได้เสพสุรายามเมาทำไมของง่ายๆของดีกับไม่ชอบทำกันทำไมชอบไปทำของยากทำในของที่ไม่ดีทำในของที่จะทำให้เราต้องเกิดความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงเสื่อมเสียทั้งอิสรภาพเสื่อมเสียความสุขนี่ขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาสักหน่อยแล้วเราจะเห็นว่าการรักษาสีนี้ มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์และง่ายดายที่มันไม่ง่ายสำหรับพวกเราเพราะพวกเรามันชอบทำบาป ก, กันนั่นเองเหมือนถนัดในการทำบาปไม่ถนัดในการรักษาศีลเหมือนคนที่ถนัดมือขวาจะไม่ชอบใช้มือซ้ายเพราะใช้มือซ้ายแล้วมันไม่ถนัดแต่ถ้าเรามาหัดใช้มือซ้ายเช่นถ้าเกิดมือขวาเรา เจ็บเรียกว่าพิการไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายพอเราใช้มือซ้ายหัดใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เกิดความชํานาญขึ้นมาก็จะใช้มือซ้ายได้กับเหมือนกับใช้มือขวาการรักษาศีลก็เหมือนกันพวกเราไม่ถนัดกันพวกเราไม่ชอบกันพวกเราชอบรักทรัพย์ของคนอื่น ชอบฆ่าสัตว์ชอบตบยุงชอบฆ่ามดข้ า, มาแมลงสัตว์ต่างๆฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาชอบกินปลาสดรสชาติหวานกินของตายแล้วมันไม่อร่อยต้องเอาของสดเอามาฆ่าสดๆแล้วก็ต้มในขณะนั้นจะได้รสชาติที่อ ร, อร่อยแต่เป็นความสุขแค่ปลายลิ้น แล้วต้องกลับมาใช้กรต้องไปเกิดเป็นปลาให้เข้ามาฆ่ามันไม่คุ้มกันแต่เป็นความถนัดของพวกเราเราถนัดฆ่าถนัดลักทรัพย์ถนัดประพฤติผิดประเณีถนัดพูดปดถนัดดื่นเุรายาเมาพอให้มาไม่ทําก็ทําไม่ได้กันเพราะมันไม่ถนัดเหมือนคนที่ ถ้าเคยใช้มือขวาแล้วให้มาใช้มือซ้ายนี้ก็จะใช้ไม่ได้จะไม่อยากใช้แต่ถ้าเราเห็นโทษของการทำบาปเห็นมีความอับอายในการกระทำบาป ค, คือมีฮิริโอตปะฮิริแปลว่าอายโอตปะคือกลัวกลัวผลที่จะเกิดจากการทำบาปอับอายในการกระทำบาป เพราะไม่มีใครชอบคนทำบาปไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยืนยอคนที่ทำบาปมีแต่คนรังเกียจมีแต่คนตำหนิติเตียนเราจึงอับอายขายหน้าเวลาเราทำบาปนี้เราต้องทำแบบแอบทำแบบไม่ให้คนอื่นเขาเห็นเวลาพูดปดก็พูดเพราะคิดว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็น ในสิ่งที่เราทําเวลาจะไปมีชู้ก็ต้องแอบไปไปแบบเปิดเผยไม่ได้เวลาจะลักทรัพย์ก็ต้องลักทรัพย์แบบที่ไม่ให้ใครเขาเห็น<ม>นี่คือการทําบาปก็ทําแล้วมันอับอายขายหน้าไม่อยากให้คนอื่นเข้ารู้<ม>ถ้าเรามีหฮริมีความอับอายในใจของเราเราจะไม่กล้าทําบา แม้ผู้อื่นไม่รู้แต่เรารู้เรารู้ตัวของเราว่าเราดีหรือไม่ดีถ้าเราทําบาปเราจะเรียกว่าเราดีได้อย่างไรในเมื่อชาวบ้านเขาไม่เรียกว่าเราว่าดีแล้วเราจะมาฝืนเรียกตัวเราเองว่าดีได้อย่างไรถึงแม้ชาวบ้านจะไม่รู้ว่าเราทําบาปแต่เรารู้อยู่แก่ใจของเราเราจะไม่มีความรู้สึกภูมิอกภูมิใจในตัวของเรา เราจะมีความไม่มั่นใจจะมีความอับอายขายหน้าเวลาพบปับกับใครนี่จะไม่ค่อยกล้าจ้องหน้าจ้องตาเขาเพราะมีความอับอายภายในใจยิ่งถ้าไปบอกไปสอนให้เขาทำดีไม่ให้ทำบาปยิ่งรู้สึกพูดไม่ออกพูดก็พูดแบบไม่เต็มปากเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนทำบาปเสียเอง ล้วเราจะไปสอนคนอื่นไม่ทำบากได้อย่างไรเราจะไปสอนให้ลูกๆของเราไม่ทำบาปให้ลูกเราเป็นคนดีได้อย่างไรในเมื่อตัวเราเองนี่กลับเป็นคนทำบาปเสียเองนี่คือเรื่องของการทำบาปอย่าทาขอให้มีฮิริโอตตปะให้มีความละอายแก่ใจของตนเองละอายต่อสาสาธารณชน แล้วก็ให้มีความกลัวเพราะการทำบาปนี้มีโทษร้ายแรงตามมาตายไปนี้ต้องไปใช้กรรมในอบายต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปเป็นผีไปตกนรกเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปและขณะที่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะถูกจับเข้าไปขังคุกขังตาราง หรือถึงแก่โทษประหารชีวิตก็เป็นได้แต่โทษในขณะที่มีชีวิตนี้ไม่แน่นอกบางทีเราหลบหนีได้ซ่อนตัวได้หนีไปอยู่ต่างประเทศได้ถ้ามีเงินก็อาจจะซื้อได้ซื้อตำรวจซื้อทนายซื้ออายการซื้อศาลได้ผิดก็กลายเป็นถูกได้แต่ เรื่องของอาบายนี้ซื้อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้ทำบาปแล้วต้องรับผลบาปต่อให้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านแสนล้านก็ไม่สามารถเอาเงินนี้ไปซื้อให้เขาเปลี่ยนบทลงโทษจากการไปใช้กรรมในอาบายให้ไปเกิดในสวรรค์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ เงินทองนี้เปลี่ยนกฎแห่งกรรมไม่ได้ตาแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็เปลี่ยนกฎแห่งกรรมไม่ได้มีอย่างเดียวที่จะทำให้ไม่ต้องไปใช้กรรมก็คือการรักษาศีลการมีฮิริโอตปะการมีศรัทธามีความเชื่อในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหน จะไปเกิดสูงไปเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปของผู้ตายนั้นที่จะเป็นผู้ส่งให้ไปสวรรค์หรือไปอบายถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้มีความยินดีที่จะมาหัดรักษาศีลกันวันพระนี้ก็เอาศีลห้าก่อนถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้ พอรักษาได้ในวันพระแล้วก็เพิ่มเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นอีกเป็นห้าวันแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นเจ็ดวันถ้าเรารักษาวันหนึ่งได้รักษาอีกสองวันก็ไม่ยากรักษาสามวันได้รักษาเพิ่มอีกสองวันก็ไม่ยากต่อไปก็จะรักษาได้ทุกวันแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจ มีความภูมิอบภูมิใจเวลาจะสั่งสอนใครให้เป็นให้ทำความดีเราก็สามารถสั่งเขาสอนเขาได้อย่างเต็มปากไม่รู้สึกกระดากใจนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลจะทำให้เรามีความสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเลยเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราได้ทําบุญเราก็จะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปดูรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปดูวิมานทิพย์ไปดูดาราทิพย์ดูในแบบนางแบบทิพย์มีแต่ของสวยยิ่งกว่านายแบบนางแบบที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คืออันนี้สอง จากการมาทำบุญทำทานและมารักษาศีลกันแล้วถ้าเรารักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้ววันพระเราก็มารองรักษาศีลแปกันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันหาความสุขใจ การจะหาความสุขใจได้เราต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายไม่เช่นนั้นมันจะแย่งเวลากันถ้าเราจะหาความสุขทางร่างกายเช่นถ้าถ้าเราจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมันทำใจให้สงบดังนั้นเราจรึงต้องมาถือสีนแปดกันสีนข้อสามก็เปลี่ยนจากกามมาเป็นอ布หบบรรมจริยา ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพื่อที่จะได้เอาเวลาร่วมหลับนอนนี้มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังเทศฟังธรรมมาทาใจให้สงบเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารก็ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการกินอาหารจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกัน แล้วการรับประทานอาหารน้อยๆก็จะทำให้ไม่ง่วงนอนเวลานั่งก็จะไม่สับประหมกเวลานั่งจิตก็จะสงบได้ล้าก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูมอหรลาศพไปร้องลําทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามด้วยน้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆ เสียเวลาไปเปล่าๆเป็นความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาบ้านก็ต้องลื้อทิ้งหมดผมเภาทำไว้ดียังไงเดี๋ยวก็ต้องลื้อออกมาหน้าตาก็ต้องไปล้างไปเช็ดนี่คือความสุขที่เราไม่ควรจะหากันมาความสุขทางใจดีกว่ามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกัน แล้วก็ไม่ต้องนอนมากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอร่างกายนี้คือหนึ่งได้นอนสักสีห้าชั่วโมงก็พอแล้ววิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากก็ต้องอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆมันนิ่มมันสบายพอร่างกายได้พักผ่อแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบาย ขอนอนต่ออีกสักสี่ห้าชั่วโมงแทนที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาหาความสุขทางใจก็จะไม่ได้ทำถ้าไม่ได้รักษาสิ่งข้อ8นี้นี่คือเหตุผลทำไมเราต้องมารักษาศี่งแปกันเพื่อจะได้ยุติการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลา มาหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายมาเดินจมกรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาอยู่วัดกันแล้วเราจะได้พบกับความสุขเวลาที่ใจของเราสงบใจของเราจะสงบก็ต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะวิ่งชน รถคันอื่นได้แต่ถ้ามี break, เบรกพอถึงเวลาจะต้องหยุดก็หยุดได้ใจของเราคือความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราไม่หยุดความคิดใจก็จะไม่สงบใจจะไม่นิ่งเมื่อไม่สงบไม่นิ่งก็จะไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เราจึงต้องมาสร้างเบรกันมาติดเบรกันมาเจริญสติกันมาระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันพุทธโธพุทธโธกันเพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพุทธโธจะทำให้เราหยุดคิดเรื่องราวต่างๆได้อย่างนั้นเราต้องมาหยุดความคิดกันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธไป อาบน้อานอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวมาวัดก็พุโทโธพุโทโธไปเดินทางมาก็พุโทโธไปถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดอย่าคิดเพราะถ้าเราคิดแล้วมันจะหยุดความคิดไม่ได้เวลามานั่งสมาธิถ้าเราหยุดความคิดได้ก่อนที่เรามานั่งสมาธิพอเรามานั่งสมาธิพุโทโธไปสองสามคำก็สงบแล้วไม่ต้องนั่งกันเป็นชั่วโมง พุโทโธไม่กี่คำา5นาที10นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะนั่งไปได้อย่างสบายไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายจะมีความสุขมากแล้วจะทำให้เรานี้เห็นโทษของการไปหาความสุขทางร่างกายเพราะการหาความสุขทางร่างกายนี้ย่อมมีความทุกข์ตามมา เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เวลาที่ไม่มีเงินก็จะไม่สามารถไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นี่คือโทษของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องพบกับความทุกข์ในบ้านปลายเพราะร่างกายต่อไปก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อย จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดนี่คือเหตุทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาหาความสุขทางใจกันเพราะใจของเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความสุขที่เราสร้างขึ้นมาจะอยู่กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเราถ้ามีความสุขทางใจเราก็ไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกาย พอเราไม่พึ่งความสุขทางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขอีกแล้วเราสามารถใช้สติ ใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุขให้กับใจของเรานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันและจะทำให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้า ที่สวรรค์ชั้นนิภานที่มีแต่บำลมละสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระเจ้าทรงกําชับทรงสั่งสอนให้พวกเรามาทําหน้าที่ของพวกเราในวันพระกันการทําหน้าที่ในวันพระนี้เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้หมายความว่าให้ทําเพียงแต่วันพระ แต่ตอนเริ่มต้นนี้ให้มาเริ่มต้นที่วันพระก่อนพอได้ชิมรสแห่งธรรมแล้วจะติดใจก็อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเองต่อไปก็จะมาอยู่วัดตลอดเลยมาบวชเป็นพระเป็นชีเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อปตจา้าและก็จะทำให้ไม่มีความทุกข์ เลยนี่ดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นมาวัดกันในวันพระมาสร้างความสุขทางใจกันแล้วต่อไปเราก็จะสามารถมาอยู่วัดได้อย่างถาวรการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีีรัตนใจและบุญกุศล